ถ้าโยมน้อยๆขนาดนี้กำลังดีมากๆ ก, ก็สอนไม่ถึงคือช่วงนี้คนเยอะขึ้นเรื่อยๆหลพ่อไม่มีเวลาคุยกับแต่ละคนนานๆเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนบางคนมาคุยนานมากว่าวันหนึ่งมีคนหนึ่งสองค น, มนไม่มีค น, น, นยิ่งสบายมากมีความสุขไม่ต้องพูด เรื่อรุ่นแรกๆเนี่ยพวกเจ้าสำนักเจ้าทิฐิเจ้ามานะนี่มาก็มีเวลาคุยด้วยรุ่นหลังๆพวกมาชวนคุยยาวๆนะไม่มีเรี่ยวแรงจะคุยด้วยแล้วไม่มีเวลานเนี่ต้องปล่อยเอคือถ้าภาวนาแล้วเราไม่ไปติดธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้านีการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ยังไม่ยาก สิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าก็คือตัณหามานาทิฏฐิมีตัณหาอยากมากอยากตลอดเวลานีอยากปฏิบัติทำยังไงจะถูกทำยังไจงไจะถูกคิดแต่จะทำพยายามอยากมากดิ้นรนแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยๆก็อยากดิ้นรนค้นคว้ามากยิ่งเนิ่นช้าแทนที่จะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็น เราสำรวจใจเราถ้ามันอยากมากเลื่อนนะกะเ็เขียนกระหืออยากปฏิบัติอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเนี่ยสำรวจใจตัวเองตัวนี้ทำให้ช้ามีมาน้าตามากนะเซลจัดท น, นี้ก็เรียนอะไรใหม่ๆไม่ไหวมีทิฏฐิมากคือเจ้าทฤษฎีน่าจะอย่างนี้สิต้องไม่อย่างนี้ควรอย่างนี้มีแต่คำว่าห้ามอย่างน้นต้องอย่างนี้ตลอดเวลา นเจ้าทิฏฐิพวกนี้ก็ช้าเพราะในสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีคำว่าห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มีแต่คำว่าให้รู้ให้รู้กายให้รู้ใจแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็ยานอย่างโน้นเนี่ยทำอย่างนี้สิถึงจะถูกต้องอย่างนั้นถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีก็มุ่งไปเอาดีมุ่งไปเอาถูกเอาสู่เอาสงบอะไรพวะนั้น ไม่ได้ปรารถนาที่จะรู้กายตามความเป็นจริงรปรารถนาจะรู้จิตใจตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นก็ช้าเ น, นี่สำรวจใจเราเราร้อนทุรนทุรายอยากมากไหมดื้อไหมเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะไหมถือดีไหมบวดดีบางคนถือดีนะถือดีเป็นพระอริยะชั้นสูงมาละ หลวงพ่อจะเบื่อที่สุดเลยพระอิยาทวไมมันมากขนาดนั้นเมื่อวานก็มีนะนึกว่าพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปกอพาให้ดูบอกดูซิจิตของเรากับโลกข้างนอกเนี่ยมันไม่เท่ากันรู้สึกไหมจิตก็ส่วนหนึ่งนะโลกข้างนอกก็อีกส่วนหนึ่งโลกข้างนอกไม่มีน้ําหนักจิตมีน้ําหนักรับใดที่ยังมีสองอยู่นะมันไม่ใช่ของจริง ของจริงเป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งรวมรวมเข้าด้วยกันเราเห็นอย่างนี้อ๋อถ้างั้นได้อนาคามาฟังแล้วเออคาไปก่อนเอะสู้ไม่ไหวละสติยังไม่เกิดเลยจะเอาพระละหันจะเอาผ้านาคาเนะแต่ว่าเรียนมามากผ่านสำนักโน้นสำนักนี้มามากเลยเถียงด้วยก็มีปัญหากระทบกระทั่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปก่อน จะพาให้ดูสั ก, กยัตทิฐิยังดูไม่ได้เพราะจิตเนี่ยไม่ย้อนดูตัวเองเลยจิตออกนอกตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่นะไปรู้อยู่นอกๆงั้นมันไม่ย้อนมาดูกายไม่ย้อนมาดูใจล้วจะบอกว่าเนี่ย ไ, ไม่มีตัวไม่มีตนต้องทำหน้าอย่างนี้นะคือไม่มีตัวตนแล้วต่อไปนี้จิตออกไปข้างนอกหมดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองแล้วมันจะมีตัวเองให้ดูที่ไหนล่ะก็คิดว่าละสั ก, กยทิฐิละ โอแก้ยากนะมันจะดื้อมากนนะแล้งนะแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นพระอริยะชั้นสูงมากนะ <c oughs> สู้ไม่ไหวก็ต้องปล่อยเหมือนกันเนอะจุดสำคัญเนี่ยไปคิดว่าจะบรรลุอะไรจะบรรลุเมื่ อ, อไรไม่มีใครบรรลุอะไรหรอกไม่มีใครบรรลุถึงอะไรทั้งสิ้นเลยภาวนาแล้วก็ไม่ได้อะไรมาสักอย่างเดียวไม่ได้เสียอะไรไปสักอย่างเดียวจิตใจได้ รู้ความจริงได้อยู่กับความจริงยอมรับความจริงแล้วมีสันติสุขแล้วจิตใจไม่ยอมรับความจริงถ่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆเมื่อะไรรู้ความจริงคือรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้ว่ากายกับใจเป็นทุกข์มันก็หมดแรงดิน้นจะดิ้นไปทําไมมันเป็นตัวทุกข์ดิ้นยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะทุกข์มันแนบอยู่ในขันเลยทุกข์กับขันนั้นเป็นอันเดียวกันเลย ถ้าเห็นขันเป็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เป็นขันนี่แหละมีอยู่แค่นี้เองไม่มีอันอื่นเลยใจก็จะหมดแรงดิ้นคือหมดตันหาทันทีที่ใจหมดตันหานิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อต า, ตาความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยในฉับชาันที่รู้ทุกข์จนกระทั่งล้าสมูทายแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้ น, นทุกข์สมูทายนิโรธมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันทำกิจ4ี่อย่างในขณะจิตเดียวกันนั่นเอง งั้นไม่ต้องรีบร้อนนะว่าใครจะบรรลุอะไรคอรู้กายคอรู้ใจรู้เล่นๆไปเรื่อยๆรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจมีเท่านี้แหละอาจนมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนเท่านี้เองสอนเท่านี้ทําตั้งหลายปีเพราะอะไรเพราะรู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่รู้จริงดีไปเพ่งกายเพ่งใจ หรือไปคิดเรื่องกายเรื่องใจเพ่งกายเพ่งใจหรือคิดเรื่องกายเรื่องใจก็ไม่ใช่รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจก็มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงความจริงอะไรความจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วได้อะไรรู้แล้วก็หมดความยึดถือในกายในใจเมื่อหมดความยึดถือในกายในใจล้วได้อะไร จิตก็สลัดคืนกายคืนใจให้ธรรมชาติคืนโลกไปจิตก็จะไม่ทุกข์กับกายกับใจอีกต่อไปแล้วก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นค่อยๆเรียนนะเรียนรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจถ้าตรับใดยังคิดว่าทํายังไงจะถูกทํายังไงจะถูกตรัพนั้นไม่ถูกหรอกสภาวะอะไรกําลังปรากฏในกายในใจเป็นปัจจุบันรู้ลงไปเฉยๆอันนั้นแหละถูกล้รู้ลงไปจนเห็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่เพง่งถ้าเพ่งจะไม่เห็นไตรลักษณ์เพ่งแล้วจะนิ่งอย่างบางคนไปเดินจงกรมก็กำหนดใช่ไหมยกเท้าย่างเท้ากำหนดไ็่ไยไม่เห็นไตรลักษณ์จริงจิตจะนิ่งจิตจะแนบไปอยู่ที่เท้านอนนิ่งอยู่กับเท้าบางคนดูท้องพองยุกจิตไปเกาะนิ่งนิ่งอยู่กับท้องรู้ลมหายใจก็จิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมปัญญาแท้ๆคือการเห็นไตรลักษณ์ยังไม่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การรู้นะการเพ่งไม่ใช่การรู้ ค่อยๆเรียนนะเรียนยนใจเราไม่เผลอ ER ไปเลื่อนลอยไปไม่ไปเพ่งเอาไว้เมื่อไร่ไม่เผลอ ER ไปไม่เพ่งไว้เมื่อนั้นก็รู้กายรู้ใจถ้าเผลอ ER ไปเมื่อไหร่ก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเผลอ ER ไปก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจถ้าเพ่งไว้นะบางทีก็เพ่งกายเพ่งใจแต่มันนิ่งกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งผิดธรรมดาผิดธรรมชาติผิดความจริง ไม่มีความจริงให้ดูมีแต่ความนิ่งให้ดูมมนอยาไปเพ่งมันแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกแล้วก็ดูไปดูเขาทำงานไปเหมือนเราดูคนอื่นเหมือนดูกายคนอื่นเหมือนดูจิตใจคนอื่นดูไปเรื่อยๆไม่นานเจวันเจดเดือนเจ็ปีอะไรในีใจก็จะแจ้งขึ้นมานี่ไม่ใช่ตัวเรา ทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะมันไม่เคยคงที่เลยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เราจะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งคงที่รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราคนนี้ตอนเด็กๆก็คนเดิมมรู้สึกว่ามีตัวคงที่อยู่นี่ตัวสักยัตทิฐิเห็นว่ามีตัวเราอยู่อาวร ถ้าเรารู้กาย ร, รู้ใจเห็นแต่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆผ่านไหลผ่านไปเรื่อยๆใจเป็นแค่คนดูอยู่เฉยๆเป็นผู้สังเกตการเห็นปรากฏการณ์คือกายกับใจเคลื่อนไหวทํางานไปเรื่อยๆก็จะรู้เลยมันไม่เที่ยง ม, มันทนอยู่ในภาวะนใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดมันทนอยู่ไม่ได้แร้วแล้วมันก็บังคับไม่ได้ ทั้งกายทั้งใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุมีเหตุอย่างไรก็มีผลอย่างนั้นสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรได้ถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้งั้นสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับแต่เป็นไปตามเหตุมันไม่มีอำนาจไปบังคับกายบังคับใจได้นี่เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆนะจนใจแจ้งขึ้นมาใจแจ้งแล้วมันรวมเข้าไป ในตัดสินความรู้กันภายในกระบวนการที่เกิดอริยมรรคก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่านั่งๆวูบหวดสติตื่นขึ้นมาบอกบรรลุไปแล้วนันบรรลุมูหะไม่ใช่บรรลุอริยมรรคหรือนั่งๆอยู่มีอะไรระเบิดปุง้งขึ้นไปทะลุหัวกะโหลกขึ้นไปบอกบรรลุแล้วปหลงอาการของสมาธิทั้งสิ้นเลยอย่คิดว่าบรรลุ อาการของสมาถะของสมาธิเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ารู้ oui. ไม่เป็นเอาแต่เพ่งเพ่งกายเพ่งใจเพ่งนวนเพ่งนี้ก็เกิดอาการแปลกๆแล้วก็สำคัญผิดว่ามัรู้มรรคผลนั้นถ้าเรียนรู้สึกตัวไม่เป็นก็ไม่สามารถรู uh ้กายรู้ใจได้รู้สึกตัวเป็นรู้กายรู้ใจได้ก็ต้องรู้ให้เป็นอีกไม่ได้ไปเพ่งกายไม่ได้ไปคิดเรื่องกายไม่เพ่งใจไม่คิดเรื่องใจรู้กายเป็นยังไงรู้ว่ากายเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้เป็นองั้น รู้แจ่มแจ้งรู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วก็รู้ไปเลยจนใจยอมรับความจริงก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงนะการที่เห็นว่าไม่มีตัวเราไม่ใช่ว่าไม่ดนะูหลายคนที่บอกว่าสักยัติทิหายไปแล้วนะอย่างเมื่อวานบอกหายไปแล้วก็ไม่ดูไม่ไม่มีไม่เห็นนะก็ไม่ดู จิตไปอยู่ข้างนอกจิตไม่ย้อนมาดูกายดูใจก็เลยไม่เห็นว่า ก, กายกับใจนี้ยังเป็นตัวเราอยู่มันก็ทฤษฎีแบบนกอะไรนะนกตัวโตๆอะนกเอานกกระจอกเทศอะไรมาก็เอาหัวสุกปีกไว้แล้วบอกว่าไม่มีศัตรูนี่นักปฏิบัติเหมือนกันนะน้อมใจไปอยู่กับใจความว่างๆนะส่งใจไปอยู่นอกๆอย่างนี้ สบายมีความสุขทั้งวันเลยบอกว่าไม่มีสักยัติทิฐิไม่มีเพราะไม่ดูไม่ใช่ไม่มีเพราะไม่มีแลนะต้องค่อยๆเรียนนะฟังใช่ถึงถึงหลวงพ่อสอนทีแรกก็ไม่สอนตรงไปตรงมาแบบนี้นะต้องอ้อมๆก่อนกลัวถูกเตะเหมือนกันเดีนี้พอเราแก่แล้วเพ่อคงใจอ่อนไม่ถึงจะเตะเราอเ <c oughs> ชียพันธุ์ส่งกันบ้าน ตัวหนูเองอะ่ะหนูก็รู้สึกดีเพราะมันสบายอะไรนะเพราะมันสบายไงคะเนี่ยสบายเนี่ยนะจีพันดูให้ดีมันสบายเพราะมันไม่ได้ย้อนเข้ามาถึงกายถึงใจจริงๆเพราะว่าหนูสังเกตเห็นพราจานะจ่าเนี่ยเทศเรื่องนี้มาแล้วหนูก็มองดูหนูต้องเป็นเราแน่ๆแล้ว ท่านถึงไม่เริ่มต้นสทีหนูก็รออยู่เนี่ยเอาให้จริงไปเลยไม่เฉพาะจีระพันธ์ดอกอันนี้เล่าให้ฟังนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยแต่ละวันนะหลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายเลย <c oughs> มันเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยนะแล้วอนเนตอนาจใจคนบอกเป็นพระอาริยะแล้วนะก็บอกไม่ใช่นี่นะมันเหมือนโลกถลม่ม บางคนถล่มจริงๆนะหล่มพังภาพไปตั้งหลายเดือนเลยไม่มีแรงลุกขึ้นมาภาวนาอีกขอจีพันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเครียดสงนี้แต่จีพันมีอาการอันหนึ่งก็คือจิตไปอยู่นอกๆมันไม่ทวนเข้ามามันจะมีความสุขอย่งั้นเลยไปค่อยสังเกตเอานะอย่างนั้นมันไม่เดินปัญญาจริงว่ามันไม่เห็นทุกข์เพราะว่าหนูก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะแล้วหนูก็อยู่ของหนูได้ไงคะ แต่หนูไม่เห็นการเกิดดับเออไม่เห็นเนี่ยแล้วหนูก็รออยู่เมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะดับหนูก็รอเออมันไม่มีในที่สุดหนูก็ปล่อยดีกว่าแล้วที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูมันแล้วหนูก็เกรงว่ามันจะเข้าไวททางสมาธิโดยที่หนูไม่ทันตั้งตัวอไงนะหนูก็เลยอืปล่อยดีกว่าคือถ้าใจไปค้างอยู่ตรงนี้นะครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านจะให้มาพิจารณาไาย มันไม่ยอมมาดูนะก็พามันมาดูเลยเขี้ยวเข็นมันมาดูดูลงในกายเป็นปฏิคูลเป็นอาสุภาอะไรเงี้ยดูอย่างนีน้ไปก่อนหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยจิตที่ติดเฉยใือจิตติดอย่างเงี้ยไม่อยู่นอกๆเหมือนรู้ตัวอยู่นะแต่ไม่รู้จริง ok. รู้ตัวอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายอยูอย่อย่างนั้นเป็นวันๆอยู่งั้นเป็นเดือนๆ อ, อยู่ได้นะในความเป็นจริงอยู่ได้เป็นกลับๆเลย นที่ไปเป็นผลมีพันธก็สังเกตเอานะหลวพ่อนี่ไม่ได้เจาะจงกีรพันธ์คนเดียวหรอกอาการนี้เป็นเยอะด้วยอาชีพของหนูเนี่ยะพอหนูมาอยู่วัดถึงวันที่26ตุลาใช่ไหมคะมวันที่ยี่ดหนูก็กลับไปทำงานเนี่ยสภาวะนี้เข้ามาตอนหนูสอนนักเรียนเลยะเพราะด้วยอาชีพหนูมันจะอยู่อยู่ตรงนี้ไงคะ มันต้องคอนเซนเทรตไปที่คนอื่นสนใจเด็กเด็กจะรู้เรื่องไหมอะไรในนะแล้วเสร็จแล้วมันไม่กลับบ้านพระอาจารนะคะคนอื่นเนี่ยในอาชีพเดียวกันเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ขึ้นมาในจุดที่หนูอยู่เนี่ยเขาอ่านทางหนูไม่ออกอแต่คนที่อยู่ในทางหนู่เขาจะอ่านหนูออกไงคะถึงแม้เขาไม่พูดหนูแค่ได้ยินเสียงเขาหนูรู้แล้วว่าเขาอ่านออกอื หนูก็เลยอยู่อย่างเนี้ยเพราะมันไม่มีคู่ไงฮะฮ ม, มันไม่มีคู่ที่จะมาคอยบอกไงฮะแต่รู้ตัวเอง <ๆ S 2> ไงฮะถ้าเมื่อไรเนี่ยไม่เห็นความเกิดดับเนี่ยเมื่อนั้นไม่ได้เจริญมีปัสนาอยู่นะดูแค่นั้นนะอโยมอยู่วัดไ ม, ม่ชื่ออยู่วัดเหมือนกันกลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะได้เห็นความแตกต่างของการดูผิดตัวกับการดูถูกตัว คือเมื่อคืนนี้ง่วงง่วงแล้วก็ไปหลงดูตัวง่วง<ม>โดยที่ว่าตั้งสติให้มัน่น<ม>แล้วมันจะเป็นลักษณะเหมือนเราบีผู้โป่งอะค่ะ<ม>บีบทางนึงมันก็จะไปโป่งอีกทางนึง ม, มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาบีบๆจนกระทั่งคิดว่ามันเรียบร้อยแล้ว<ม>แต่ปรากฏว่ามันถูกทับอยู่เต็มตัวเลย ตอนี้ก็มาแวบว่าอเราดูผิดตัวต้องดูความอยากหายง่วงเ อ, อเพอดูความอยากหายง่วงนะคะจิตมันจะเบาลอยขึ้นออแล้วก็ความง่วงนี้ก็หายไปด้วย เ, ออเพราะว่าคิดว่าตัวง่วงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลส ต, ตัวอยากหายง่วงเนี่ยมันเป็นกิเลสที่มีอัตตาแฝงอยู่ออแล้วเราไปดูผิดใช่ คือเราต้องดูตัวซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในขณะนั้นนะที่ครอบงําพฤติกรรมทางใจของเราอย่างความอยากหายง่วงตัวเนี้ยมันกําลังครอบงําเรามันทําให้เราดิ้นรนหาทางทำอย่างโ น, น้นทําอย่างนี้มันทําให้เราสร้างภพตัวซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดเนี้ยในทางอภิธรรมเรียกว่าอธิบดีปัจจัยเป็นอธิบดีภ า, าษาแขกเรียกอธิปติปัจจัย ดั้นถ้าเราดูผิดตัวเราจะไปดูลูกเล็กลูกน้อยของมันนะโดยเฉพาะดูเข้ามาไม่ถึงจิตใจจริงๆเราไปดูอาการทางกายบ้างอาการทางใจบ้างแตจิตใจซึ่งกําลังยินดียินร้ายเราไม่รู้ทันตีรู้หัดรู้ไปนะใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละส่วนมากชกผิดผิดตัวนะไปชกเงาไม่ชกตัวจริงกราบมรณะสการค่ะ มีคำถามที่ท่องเอาไว้ว่าจะต้องถามก็คือว่าช่วงนี้ปฏิบัติแล้วก็มันจะรู้สึกถึงความยึดถือของตัวเองแล้วก็อย่างเช่นเรื่องความโกรธหรืออะไรเงี้ยค่ะต้นเหตุของมันก็มารู้สึกถึงการที่ไม่ได้ดังใจอืม hmm. ี น, นี้มันก็จะมีบางทีมันก็จะมีความรู้สึกหลอกๆ ก, ก็คือคำพูดในหัวบางทีมันก็จะมาหลอกไอ้เรื่อง การยึดถือตัวเองเรื่องตัวเราเรื่องอะไรเงี้ยะแล้วมันก็มีสงสัยก็พยายามไปตามดูคําถามก็คือว่าถ้าเราเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะว่าการที่มีตัวเราเป็นเป็นตัวยึดหรือว่าเราสึกว่ามันมันเป็นใจของเราที่กระโจนลงไปในความคิดเนี่ยแล้วก็แค่ดูมันเฉยเฉยแค่รู้เหมันนะถ้ารู้ทันความเป็นตัวเราก็จะสลายไปเองมันก็ยังมาใหม่อีกเยอะๆมาใหม่มันเกิดได้อีกก็ <c oughs> เ, เหตุของมันยังมี เรายังมีเชื้อแห่งความหลงผิดอยู่ในจิตอยู่สักยะทิฏฐินี่ยังไม่ได้ถูกทำลายจริงงั้นพอเรามีสติขึ้นมาอากุศลมันไม่มีในขณะที่เรามีสติใช่ไตัวทิฏฐิที่ผิดผิดนี้ก็สลายไปพอเราขาดสตนะิมันก็กลับมาอีกเพราะเชื้อของมันยังมีก็ตามดูไปอย่างเดียวใช่ตามดูไปได้แต่เดิมเนี่ยเราคิดว่ามีเราตลอดเวลาแต่ตอนนี้เราหัดมีสติ ในขณะที่มีสติไม่มีเราในขณะที่ขาดสติเกิดเรามันจะเริ่มมีช่องว่างซึ่งไม่มีเราเกิดขึ้นบ้างแล้วนะเราดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจแจ้งขึ้นมาตัวเราจริงๆไม่มีหรอกแล้วอยากจะกราบขอความเมตตาขอคำแนะนำที่จะต้องแก้ไขหรือว่าทาเพิ่มเติมเออไปลบคำว่าทำทิ้งซ ะ, ะนะเราไปติดคำว่าอยากทำให้ดีอยากทาให้ถูกใช่ไหมจะได้ผลเร็วๆเราไปชอบคาว่าทำอะ มีปั ส, สนาแท้ๆไม่ใช่คำว่ารรมีวิปัสนาเนี่ยนะมีแต่คําว่ารู้กายเราเป็นยังไงเราก็รู้จิตใจเรากําลังเป็นยังไงอยู่เราก็คอยรู้ไปได้วยไม่มีทำต้องทําอย่างอื่นเลยนะงั้นก็ฝึกสติกตามรู้อย่างเดียวใช่เพราะการมีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานทําไมต้องทําอย่างเดียวนี้เพราะสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่มีทางที่สองหน้าที่เราก็มีสติ ตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆไปแล้วบางทีที่มันตามดูแล้วมันรู้สึกเกรงเกรเนาะอันนี้ก็คื อ, อดูความเกรงไปเฉยๆนั่นให้รู้ทันเลยว่ามันอยากปฏิบัติมันจงใจดูเห็นไหมสิ่งที่อยู่บเบื้องหลังตัวเกรงเนี่ยเป็นผลเรียกว่าเป็นวิบากนีตัวเหตุให้เกิดวิบากตัวนี้ก็คือการที่เราพยายามทําอะไรอันใดอันหนึ่งเหตุที่ทําให้อยากพยายามทำอะไรเหตุที่ ทำให้เกิดการกระทําอันใดหนึ่งก็คืออยากนั่นเองงั้นอยากเนี่ยเป็นกิเลสการกระทําก็คือการกระทำำํากรรมตัวเกรงเกรงแข็งแข็งแน่แนแนก็เป็นวิบากมีกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากก็ตามดูไปเรื่อยๆตามรู้อย่าไปแก้วิบากให้รู้จนกระทั่งกิเลสมันดับไปเอกิเลสดับการกระทําก็ดับเมื่อการกระทําดับก็ไม่มีวิบากเกิดขึ้น ส่วนวิบากเก่าเมื่อทําไปแล้วต้องชดใช้จนกระทั่งมันหมดกําลังของมันไปนะ <Okay. S 1> งั้นอย่างเราภาวนาะแล้วมันแน่นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปดูว่าทํายังไงจะหายแน่นมันแน่นขึ้นมาเพราะเราไปบังคับตัวเองเท่านั้น oh. งั้นต้องยอมรับชะตา ก, กรรมนะเพราะว่าสร้างขึ้นเองเดียหนหลวงพ่อครับก็รู้สึกว่าตัวเองภาวนาะก็คล้ายๆพี่ๆเขาครับ ภาวนายังไงเผอๆที่ใดเราก็ทําตลอดนะฮะอะไรนะคือเผลอๆที่ใดเราก็จะทําอคือมันจะติดกระบวนการว่าจิตไปไปรู้อะไรก็จะให้ค่าครับพอให้ค่าเสร็จเราก็ต้องแก้ไขนะฮะไม่ไม่พ้นรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆครับถึงจุดหนึ่งมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นครับตรงที่สักว่ารู้สักว่าเห็นนั่นแหละเป็นมิปัสชนาแท้ๆแล้วครับแต่บางบางบางทีก็ เหมือนกับว่าสักวันรู้สักวันเห็นได้สั้นๆ น, นิดเดียวองเงยะได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นอย่าโลภน ะ, ะ <laughs> โลภแล้วไม่ได้ดอกมาพบหลวงพ่อเมื่อห้าเดือนที่แล้วครับครบห้าเดือนเต็มพรุ่งนี้่ครับก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพอ่อขับรถไปก็นับโดยกดมือถือนะครับรู้สภาวะบางวันเนี่ยฟุ้งมากๆเนี่ยหกครั้งครับแต่วันไหนที่รู้เร็วๆ เ, เนี่ยนะครับได้ประมาณสองร้อยครั้งะนะครับ แต่คนที้มีคําถามตรงนี้หลวงพ่อตอบแล้วก็คือยังมีติดวิบากในส่วนสมาถะก็คือแต่ว่าตอนเนี้จะเร็วกว่าตอนก่อนด้วยก็คือว่าบางทีนั่งตามรูปแบบก็คือนั่งสวดมนต์ก่อนนะครับกําลังจะหลับตานั่งสมาธิแค่หลับตาเท่านั้นก็เกิดเห็นแสงขึ้นมาทันทีโดยที่ยังไม่ได้เลิกเลยครับร เ, เพราะว่าการที่เราหัดดูจิตดูใจของเราเนี่ยนิวรณ์ไม่มีครับเมื่อ น, นิวรณไม่มีจิตก็เป็นสมาธิอัตโนมัติเลยครับ แต่ยังติดสมถะอยู่รู้ไหมครับหลวงพ่อไ ม, อไม่ไม่เรียกว่าติดถ้าเราต้องการพักผ่อนนะนั่งปุ๊บก็วสว่างปั๊บขึ้นมาในบางครั้งเนี่ยลืมตาจะนอนข่อมลูกนอนอยู่ก็เห็นเป็นแสงเหมือนกันนะครับยังไม่ทันทําอะไรเหมือนกันก็นะสิ่งใดที่รู้ที่เห็นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ตัวสําคัญตัาสำคัญคือจิตของเราเกิดปฏิกิริยายังไงต่อสิ่งนั้นครับก็คือตามรู้ตามดูต่อไปมันเห็นแสงขึ้นมาแล้วชักกังวลว่ายังติดสมถะอยู่ก็มั้งรู้ว่ากังวลครับคือทีนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วพักก็จะหายไปอ่ะ ทุกอย่างมีเหตุครับะเมื่อมันมีเหตุอยู่มันก็ต้องมีผลเราไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธมันคมันก็ตามรู้ตามดูต่อไปนะครับเพราะจิตไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหมครับก็ทราบว่าเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันครับความทุกข์ก็จะสั้นลงกิเลสก็จะอ่อนลงนะรู้ตัวได้ถี่ถีขึ้นเหลือบ่อยขึ้นครับนี่เห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะยังไม่เห็นนะครับหลวงพบางครั้งเห็นแบบแต่ส่วนใหญ่พอ ที่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะครับตอนที่ฟงฟงก็จะไม่เห็นนะครับือเมื่อไรรู้สึกตัวนะก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราทั้งหมดเลยแต่มันไม่ได้ทุกตลอดไม่ไม่ต้องตลอดว่าสติไม่ได้เกิดตลอดเวลาสติเองก็เป็นอนัตตาเกิดเมื่อมีเหตุบบางครั้งก็ไม่เกิดสั่งไม่ได้นี่พวกเรานักปฏิบัติยอมไม่ค่อยได้ว่าสติจะไม่เกิดนี่ยอมไม่ได้นะสู้ตาย เหมือนแต่ก่อนหัดสมถะยอมไม่ได้เลยถ้าจิตไม่มีสมถะไม่มีสมาธิวันไหนนั่งแล้วก็รวมเคลิ้มเคลิมได้นะก็พอใจวันไหนไม่รวมก็ไม่พอใจไม่ยอมพอมาหัดเจริญสติวันไหนไม่มีสติก็ไม่ยอมอีกละต้องฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งมันยอมรับความจริงว่าเราบังคับอะไรไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนบังคับสําเร็จนะอ่ะคุณดําเกลือง ก็ผมยังคิดว่าเวลาที่อยู่นอกสมาธิเนี่ยนฮะเวลาที่ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยนะฮะมันยังทําได้ไม่ดีพอเพราะว่ามันรู้หลงน้อยไปค่ะ น, น้อยครั้งอยู่คิดว่าอาจจะคงจะต้องปรับปรุงตรงนี้อีกคุณดาเกินก็ดูร่างกายที่มันเคลื่อนไหวทํางานไปเรื่อยแบบเอากายเป็นฐานคือจิตที่ทรงสมาธิอยู่เนี่ยไปดูจิตเนี่ยลําบากบมันนิ่งครับแล้วตัวรู้มันก็เด่นดวงอยู่งั้นทั้งวัน เพรนพอจิตของเราเด่นเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ดูร่างกายมันทํางานไปเห็นกายอยู่ส่วนนึงใจอยู่ส่วนหนึ่งแยกมันไปได้ครับหรือว่าจะดูกายหรือดูเวทนาก็ได้ได้ดูกายดูเวทนาแต่ว่าพอมาดูจิตเนี่ยรู้สึกมันมันไม่ขยยอมดูไม่ไม่มีอะไรให้ดูครับเพราะจิตที่มันสรงฌานอยู่มันไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดูง่ายๆแต่บางทีแม้ออกจากแล้วนะครับเวลามันก็บางทีมันหลุดไปเลยมันมันไปนานเหมือนกันพอหลงนานครับ นั่นธรรมดาเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพวกรพระพรหมเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบาย <laughs> มันมันรู้รู้ไอไอหลงแล้วมันน้อยครั้งมันเก็บกดไงครับตอนเรานั่งสมาธินั่นมันคือเก็บกดเอาไว้พอเลิกกดใช่ไหมตะเริดเลยครับหนีไปเลยงั้นเราอย่าให้หนีไปไกลหนีไปนาน ค, ค, คอยเวียนกลับมาลุกกายไว้ความมาลกกายรู้เวทนาไว้ครับผม เรามีสติรู้กายอย่างถูกต้องนะสติที่แท้จริงก็เกิดสัมมาสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดสติก็เป็นอย่างเดียวกับที่เรารู้จิตสัมมาสมาธิก็เหมือนกับที่เรารู้จิตปัญญาก็อันเดียวกันคือเห็นใจรักไม่จําเป็นว่าจะต้องออกจากสมาธิแล้วจะต้องมาดูจิตไม่จําเป็นเห็นกายมันทํางานไปไม่ใช่เรามีของถูกรู้ถูกดู เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละอันแต่ละอันไม่มีตัวเราเพขันมันกระจายตัวออกนะขันแต่ละขันทํางานไปตามหน้าที่ของขันเนี่ยแต่ละขันนั้นจะไม่ใช่ตัวเราแต่พอมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงจะเป็นตัวเราขึ้นมาไเดี๋ยวขอกลับมาจิตใช่อย่าไปอย่าไปห่วงมันอย่าไปงกเราเราอยากได้บัพผลนิพพานเร็วเลย ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วบอกว่าเป็นพระอนาคาแล้วจะต้องไปดูจิตนะในพระไตรปิฎกสอนพระพระอ น, น, นุน์คือสุดท้ายที่จะบรรลุพระอราหารนันต์นะดูกาท่านบอกว่าพระอา น, น, นุน์นะยางราตรีสุดท้ายเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายยัคตาสติเป็นส่วนมากคือท่านดูกายทาไมมีคําว่าเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยไว้ไหนส่วนน้อก็จิตรวมไประยะระยะไป ตอนเช้าผมเดินวิ่งออกกำลังกายประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ทราบปฏิบัติทำได้ไหมครับได้สิวิ่งวิ่งไปนะเจอสาวสวยใจเราชอบรู้ว่าชอบนี่วิ่งอย่างนี้นะวิ่งไปเรื่อยๆมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขวิ่งแล้วมันสดชื่นรู้ว่าสดชื่นสดชื่นแล้วพอใจรู้ว่าพอใจล้วก็วิ่งไปเถอะไม่เป็นไรอย่างวิ่งได้ก็วิ่งไป ตอนนี้ห่างวัดไปนิดนึงเพราะว่าสารัญญาหลานาทํางานนะคะก็ hmm. แต่ปฏิบัติที่บ้านก็ยึดถือคำวาจานอาจาจานนะคะตอนนี้มันเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์รวนล้วนส่วนนี้พอเห็นนะคะว่าพอดีวัยมันเข้าด้วย hmm. ค่ะให้ให้ทางว่าเห็นแต่จิตเป็นทุกข์รนล้วนเนี่ยมันมันไม่เห็น น, น่ะนะไม่ไม่ต้องเห็นนะเห็นเห็นแต่มันเกิดดับ มันทำงานทั้งคืนทั้งวันดูไปเองดูไปอย่างนี้นะอยวไปดูให้เห็นเป็นทุกรุนๆแต่อันนี้ไม่ใช่ภูมิที่เราจะเห็นยังไม่ใช่เวลาที่จะเห็นไม่แต่ที่ฟังจากซีดีพระอาจารย์รู้สึกจะไปเห็นเอาเหมือนมวยยกสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมค่ะไม่ไม่ใช่ความรู้ที่สะสมเหมือนเหมือนอันอื่นไม่ใช่คือความรู้ที่จะเกิดข้ามภพข้ามชาตินี้แคยแค่มันปิ้งขึ้นมา มันไม่ใช่ค่อยๆเข้าใจทีละน้อยนะไม่ไม่ใช่แบบอื่น อ, อยู่ๆเหมือนมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยความรู้ความเข้าใจมันเปลี่ยนกลับข้างไปเลยค่ะงั้นไม่ใช่สะสมสะสมเนี่ยสะสมเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆค่ะเห็นความเกิดดับดูเปอย่างนี้แหละดูความเกิดดับไปไม่ต้องไปคิดเรื่องใจโลงใจรักอะไรค่ะถึงจุดซึ่งอริยามรรคจะเกิดเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยมุมใดมุมหนึ่งในใจรักนั่นแหละค่ะไว้มวยยกสุดท้ายเลย ถ้าจะถึงขนาดเห็นจิตเป็นทุกข์นะก็คือจะเป็นผ้ารหันล่ะไม่เห็นแค่ะกลับถามเพราะว่าเอาไว้เป็นความรู้ดูไปอย่างนี้นะะดูไปเลยนะแล้วดูให้ถึงฐานนะใจไม่ถึงฐานมันมันไปรู้อยู่นอกๆรู้สึกไหมยังรู้อยู่นอกๆถ้าไม่เข้ามาถึงฐานนะมันจะเห็นทุกข์ไม่ได้ชัดเจน จะเพลินเรู้สึกไหมมันมีความสุขคมันจะมีความสุขมันจะเพลินแทนที่มันจะเห็นทุกนะกับเห็นสุขมันเห็นจิตผู้รู้เที่ยวไปรู้ทุกกับแต่ตัวมันมันไม่เห็นตัวมันไม่เคยทุกเลยค่ะไม่เห็นว่ามันเออมันทวนเข้ามาไม่ถึงตัวมันเองมันดูแต่ของนอกๆแต่อย่าจงใจทวนนะให้แค่รู้ว่ามันไม่ทวนเข้ามาแค่รู้ว่ามันไม่ทวนจะอย่าจงใจทวนเข้ามาจงใจทวนเข้ามาผิดเลยกลายเป็นเพ่งผู้รู้ ยังผูรูแก้ยากที่สุดเลยติดกัน <c oughs> เป็นปีๆถ้าอย่างนี้ก็ต้องรู้ไปแบบนี้สิคะ <c oughs> เห็นทุกอย่างเกิดดับไปค่ะเห็นว่าตัวเนี้ตั้งนิ่งๆอยู่ค่ะ <c oughs> รู้ว่าจิตเนี้ยเที่ยวดูนอกๆไม่เคยดูตัวนี้ค่ะใ <c oughs> นขณะเดียวกันไม่จงใจย้อนมาดูตัวนี้ค่ะ <c oughs> ห้ามจงใจนะจงใจ <c oughs> นี้แก้ยากที่สุดเลยติดเป็นปีเลยถ้าเขาจะรู้ได้เขาจะรู้เองแค่เรารู้ทันว่ามันไม่ทวนเข้ามาแต่ถึงเวลามันทวนเข้ามาเองค่ะ แต่ถ้าจงใจทวนเข้ามาดูผู้รู้กลายเป็นเพ่งผู้รู้นี่นะแก้ยาก <c oughs> เสียเวลาเสียมากมากนะเสียเป็นปีๆเลยแต่จะแก้ได้ <c oughs> อาเชิญไปทันข้าวนิมนต์ครับ